ธรรมานุสติกถาวิธีเจริญธรรมานุสติกรรมฐานแม้อันโยคีบุคคลผู้ปรารถนาเพื่อที่จะเจริญธรรมานุสติกรรมฐานไปอยู่ในที่ลับหลีกเร้นอยู่ณเสนาสนะอันสมควรพึงระลึกถึงเนืองเนืองซึ่งขุนทั้งหลายของปริยติธรรมและโลกุตระธรรมเก้าอย่างนี้ว่า สวักขาโตภคะวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสันทิทิโกพระธรรมอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองอากาลิโกพระธรรมให้ผลไม่ประกอบด้วยการเอหิปสิโกพระธรรมเป็นสิ่งที่ควรเชิญให้มาดูโอปัญญิโก พระธรรมเป็นสิ่งที่น้อมเข้ามาในใจตนปจัจจตังเวทิตาโพวินยูหิพระธรรมอันวินยูชนทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตนอธิบายบทสวากขาโตก็แลในบทสวากขาโตนี้แม้ปริยติธรรมก็ถึงอันสงเคราะห์เอาด้วย ในบทอื่นๆนอกนี้สงเคราะห์เอาเฉพาะโลกุตรธรรมปริยติธรรมเป็นสวากาตธรรมในธรรมะสองประเภทนั้นปริยติธรรมประการแรกชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด และเพราะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงความงามสามของปริยติธรรมจริงอยู่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงพระพุทธพจน์อันใดแม้เพียงพระคาถาอันเดียวพระพุทธพจน์นั้นชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยบาทต้น ชื่อว่ามีความงามในท้ำกลางด้วยบาทที่สองและที่สามชื่อว่ามีความงามในที่สุดด้วยบาทหลังเพราะพระธรรมมีความงามรอบตัวพระสูตรที่มีอนุสนธิอันเดียวมีความงามในเบื้องต้นด้วยคำนิทานมีความงามในที่สุดด้วยคำนิคมมีความงามในถํากลางด้วยคำที่เหลือ ประสูตรที่มีอนุสนธิทีมากหลายมีความงามในเบื้องต้นด้วยอนุสนธิทีแรกมีความงามในที่สุดด้วยอนุสนณที่หลังมีความงามใน่ํากลางด้วยอนุสนธิที่ที่เหลืออีกประการหนึ่งประสูตรที่มีอนุสนที่มากหลายนั้นชื่อว่ า, ามีความงามในเบื้องต้นเพราะมีทั้งคำนิทานมีทั้งคำอุบัติเหตุ ชื่อว่ามีความงามในถ้ำกลางเพราะมีเนื้อความไม่วิปริตผิดเพี้ยนไปและเพราะประกอบด้วยเหตุและอุทาหรณ์โดยสมควรแก่เวนนยนิกรทั้งหลายและชื่อว่ามีความงามในที่สุดเพราะคํานิคมอันให้เกิดความได้ศรัทธาแก่ผู้ฟังทั้งหลายศาสนธรรมแม้ทั้งสิน้นมีความงามในเบื้องต้น ด้วยศีลอันเป็นเหตุของตนมีความงามในท่ามกลางด้วยสมถะวิปัสนามรรคและผลทั้งหลายมีความงามในที่สุดด้วยนิพพานอีกประการหนึ่งศา ส, สนาธรรมทั้งสิน้นมีความงามในเบื้องต้นด้วยศีลและสมาธิมีความงามในท่ามกลางด้วยวิปัสนาและมรรคสี มีความงามในที่สุดด้วยผลสีและนิพพานอีกประการหนึ่งศา ส, สนาธรรมทั้งสิ้นชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางเพราะพระธรรมเป็นธรรมดีชื่อว่ามีความงามในที่สุดเพราะพระสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัติดีอีกประการหนึ่งศา ส, สนาธรรมทั้งสิ้นชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นเพราะอภิสัมโพธิที่สาธุชนฟังศาสนาธรรมนั้นแล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์ด้วยประการนั้นจะพึงบรรลุได้ชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางด้วยปัจเจ ก, กโพธิ ชื่อว่ามีความงามในที่สุดด้วยสาว ก, กโพธิก็แลศนธรรมนั้นขณะฟังย่อมนำความงามมาแม้ด้วยการฟังนั่นเทียวโดวยการข่มเสียซึ่งนิวรนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นขณะปฏิบัติก็นำความงามมาแม้ด้วยข้อปฏิบัติ โดยนำมาซึ่งความสุขอันเกิดแต่สมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางและขณะปฏิบัติแล้วด้วยประการนั้นเมื่อผลแห่งปฏิบัติสาเร็จแล้วย่อมนำความงามมาแม้ด้วยผลแห่งการปฏิบัติโดยนำมาซึ่งความเป็นผู้คงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในที่สุด พระธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาครัสดีแล้วเพราะมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดดังพันนานามาด้วยประการชนนี้อธิบายพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคนั้นเมื่อทรงแสดงธรรมย่อมทรงประกาศ คือทรงสแสดงซึ่งศาสนาพรหมจันร์และมรรคพรหมจันทร์อันใดโดยในย่า ต, ต่างๆพรหมจันทร์อันนั้นชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏถะด้วยอัฏฐสมบัติตามสมควรชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะด้วยพยัญชนะสมบัติตามสมควรชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏถะเพราะประกอบด้วยอัฏถบทคือสังกาสนะ แสดงความโดยย่อหนึ่งปรกาศนะแสดงความเบื้องต้นหนึ่งวิวาชนะการไขความหนึ่งวิพัชนะการจำแนกความหนึ่งอุตตนิการณะการทำความให้ตื้นหนึ่งปั ญ, ญติการแต่งความหนึ่ง ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะถึงพร้อมด้วยอักขระตัวหนังสือหนึ่งบทคำประกอบวิพัตหนึ่งพยัญชนะคำที่เป็นภาคหนึ่งอาการคำแบ่งภาคออกไปหนึ่งภาคในที่นี้สะกดด้วยกอไกยอยักษ์การ น, นะครับนิรุติวิเคราะห์ศัพท์หนึ่งนิเทศ อธิบายให้พิสดารหนึ่งชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏฐะด้วยความเป็นธรรมะลึกซึ้งแห่งเนื้อความและความเป็นธรรมะลึกซึ้งแห่งการแทงตลอดชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะด้วยความเป็นธรรมะลึกซึ้งโดยธรรมะและความเป็นธรรมะลึกซึ้งโดยเทสนาชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏะ โดยเป็นวิสัยแห่งอัฏฐปฏิสัมพิทาและปฏิภาณปฏิสัมพิทาชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะโดยเป็นวิสัยแห่งธรรมปฏิสัมพิทาและนิรุตติปฏิสัมพิทาชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏฐเพราะว่าทำให้คนชั้นปัญญาชนเลื่อมใสโดยเป็นสิ่งอันบันฑิตพึงรู้แจ้งได ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะว่าทำให้ชั้นโลกโลกเลื่อมใสโดยเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏถะโดยมีอธิบายอันลึกซึง้งชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะโดยมีบทตื่นอธิบายบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ชื่อว่าบริบูรณ์สิ้นเชิงโดยมีธรร ม, มะมีความบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงเพราะไม่มีสิ่งที่จะพึงนำเข้าไปเพิ่มเติมชื่อว่าบริสุทธิ์โดยเป็นธรร ม, มะที่ปราศจากโทษเพราะไม่มีสิ่งที่จะพึงนำออกอัธทิบาอีกนัยยะหนึ่งอีกประการหนึ่งพระมจ ร, รยิย์ชื่อว่าพร้อมทั้งอัฏฐะ เพราะให้คนฉลาดในอาธิคมคือนิพพานด้วยการปฏิบัติชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะเพราะให้ฉลาดในอาคมคือปริยัต ด, ด้วยการเล่าเรียนชื่อว่าบริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะประกอบด้วยธรรมขันห้ากองมีศีลขันเป็นต้นชื่อว่าบริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสเพราะเป็นไปเพื่อสลัดออก และเพราะไม่มุ่งโลกามิตรปริยติธรรมชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดีแล้วเพราะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดังพันนามาด้วยประการฉนี้ปริยติธรรมเป็นสวากาตธรรมอีกนัยยะหนึ่ง อีกในยาหนึ่งปริยัติธรรมชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยดีแล้วเพราะไม่มีข้อความอันวิตปรลาดคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นปริยัติธรรมนั้นจึงชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดีแล้วเป็นความจริงเช่นนั้นข้อความของธรรมะของอัญญะเดียรตีทั้งหลายยังถึงความวิปรลาดคลาดเคลื่อนอยู่ เพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่เขากล่าวว่าเป็นอันตรายก็ไม่เป็นอันตรายจริงธรรมะทั้งหลายที่เขากล่าวว่าเป็นเครื่องนำออกก็ไม่เป็นเครื่องนำออกจริงด้วยเหตุนั้นอัญญาเยรถีเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมะอันกล่าวไว้ไม่ดีโดยแท้ข้อความของธรรมะของพระผู้มีพระภาค มิได้ถึงความวิปลาดคลาดเคลื่อนเหมือนอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอันตรายิกรรธรรมธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องนำออกเช่นนี้แล้วก็มิได้เกินเลยจากความเป็นอย่างนั้นไปเลยปริยติธรรมประการแรกเป็นสวากขาธรรมดังพันนามาด้วยประการชนี้ โลกุตระธรรมเป็นสวากขาตธรรมก็แลโลกุตระธรรมชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตรัสข้อปฏิบัติอันสมควรแก่นิพพานและตรัสนิพพานอันสมควรแก่ข้อปฏิบัติสมดังทิ่ท้าส ก, กะเทวราชกล่าวไว้ว่าก็แล ข้อปฏิบัติอันส่งให้ถึงนิพพานอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่หมู่พระสาวกทั้งหลายนิพพานกับข้อปฏิบัติย่อมเข้ากันได้น้ำในแม่น้ำคงคาย่อมเข้ากันได้ย่อมเสมอเหมือนกับน้ำในแม่น้ายมุนาแม้ฉันใดข้อปฏิบัติอันส่งให้ถึงนิพพานอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่หมู่ระสาวกทั้งหลายนิพพานกับข้อปฏิบัติย่อมเข้ากันได้เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวอันหนึ่งอริยมรรคอันเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ไปนใกล้ขอบทางทั้งสองนั่นแหลชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นข้อปฏิบัติสายกลาง สามัญญผลทั้งหลายซึ่งมีกิเลสสงบแล้วนั่นแหลชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะมีกิเลสสงบแล้วนิพพานอันมีภาวะเที่ยงไม่ตายเป็นที่ต้านและเป็นที่หลบลี้หนีทุกข์เป็นต้นนั่นแหลชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว เพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ด้วยความมีสภาวะอันเที่ยงแท้เป็นตน้นแม้โลกุตรธรรมก็ชื่อว่าเป็นสวากขาตธรรมดังพันน า, นามาด้วยประการฉนี้อธิบายบทสันทิติโกก็แลในบทว่าสันทิติโก มีอัธถาธิบายดังต่อไปนี้ประการแรกอริยมรรคอันพระอริยบุคคลผู้กําลังกระทามกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นไม่ให้มีในสันดานของตนพึงเห็นเองเพราะฉะนั้นอริยมรรคนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมะอันพระอริยบุคคลพึงเห็นเองสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า รามบุคคลผู้กำหนดแล้วถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตอันราคะครอบครองแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนและเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างเขาย่อมได้สวยทุกโทมนัสท้งใจแต่เมื่อราคะอันเขาละได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเลย ยอมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเลยยอมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเขายอมไม่ได้เสวยทุกทม น, นัดทางใจพรามพระธรรมยอมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองแม้ด้วยประการชนิแลอีกประการหนึ่งโลกุตระธรรมทั้งก้าประการอันพระอริยบุคคลใดๆได้บรรลุแล้ว พระอริยบุคคลนั้นๆจะพึงเห็นเองด้วยปัจจเวคขณะยานโดยยกเลิกซึ่งภาวะที่จะพึงถึงด้วยการเชื่อผู้อื่นเสียได้เพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมเก้านั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองอีกนัยยะหนึ่งทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญชื่อว่าสันทิฏฐิ โลกุตระธรรมย่อมชนะกิเลส ด, ด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรนเสริญเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสันทิติโกชนะกิเลส ด, ด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรนเสริญเป็นความจริงอย่างนั้นในบรรดาโลกุตระธรรมนั้นอนรอิยมักย่อมชนะกิเลสทั้งหลายด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรนเสริญซึ่งประกอบกับตน อริยผลย่อมชนะกิเลสทั้งหลายด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรนเสริญซึ่งเป็นเหตุของตนนิพพานย่อมชนะกิเลสทั้งหลายด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรนเสริญซึ่งเป็นวิสัยของตนเพราะเหตุนั้นโลกุตระธรรมทั้งเก้าประ ก, การย่อมชนะด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรนเสริญ ดังนั้นจึงเรียกว่าสันติิโกผู้ชนะด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญเหมือนอย่างบุคคลชนะด้วยรถเขาเรียกว่าราติโกผู้ชนะด้วยรถฉะนั้นอีกในยยหนึ่งความเห็นเรียกว่าทิฏฐ ะ, ะทิฏฐาศนั่นแหละได้รูปเป็นสันทิฏฐะแปลว่าความเห็น ธรรมะใดย่อมควรซึ่งการเห็นธรรมะนั้นชื่อว่าสันติติโกควรซึ่งการเห็นจริงอยู่โลกุตรธรรมที่โยคีบุคคลเห็นด้วยสามารถการรู้โดยภาวนาและด้วยสามารถการรู้โดยการกระทําให้แจ้งเท่านั้นจึงจะห้ามวัตภัยได้เพราะเหตุนั้น โลกุจระธรรมย่อมควรซึ่งการเห็นดังนั้นจึงชื่อว่าสันทิทิโกควรซึ่งการเห็นเหมือนบุคคลควรซึ่งผ้าเขาเรียกว่าวัตทิโกผู้ควรซึ่งผ้าฉะนั้นอธิบายบทอากาลิโก พระธรรมนั้นไม่มีการหมายถึงให้ผลของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าอากาโลอากาโลนั่นแหละได้รูปเป็นอากาลิโกอธิบายว่าพระธรรมนั้นรอการอันต่างออกไปเป็นห้าวันและเจ็ดวันเป็นต้นให้สิ้นสุดไปแล้วจึงให้ผลก็หาไม่ได้ แต่ให้ผลต่อลำดับจากที่ตนเกิดเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งธรรมะนั้นมีการไกลที่จะมาถึงในอันให้ผลของตนฉะนั้นจึงชื่อว่ากาลิโกมีการไกลธรรมะนั้นได้แก่ธรรมะประเภทไหนได้แก่กุศลธรรมชั้นโลกิยะ ส่วนธรรมะชั้นโลกุตระนี้ไม่เป็นกาลิโกเพราะมีผลติดต่อกันฉะนั้นจึงชื่อว่าอาการลิโกไม่มีการไกลในอันให้ผลบทว่าอาการลิโกนี้ท่านจำกัดเอาเฉพาะอาริยมรรคเท่านั้นอธิบายบทเอหิปัสสิโก พระธรรมย่อมควรแก่วิธีที่เชิญให้มาดูอันเป็นไปทำนองนี้ว่าเชิญท่านมาดูพระธรรมนี้ถามก็เพราะเหตุไรหรือพระธรรมนั้นจึงควรด้วยวิธีนั้นตอบเพราะพระธรรมนั้นเป็นสภาพที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่งเพราะพระธรรมนั้นเป็นสภาพที่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งอธิบายว่า เมื่อมีกรรมมือเปล่าถึงแม้ว่าใครๆกล้าพูดได้ว่าเงินหรือทองคำมีอยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะเชิญให้มาดูว่าท่านจงมาดูเงินหรือทองคำนี้เพราะเหตุไรเพราะเงินหรือทองคำนั้นไม่มีอยู่จริงอนหนึ่งคูดหรือมูดแม้เป็นของมีอยู่จริงใครๆก็ไม่กล้าจะเชิญผู้อื่นให้มาดูว่าท่านจงมาดูคูดหรือมูด อ, อุจจาระหรือปัสสาวะนี้เพื่อความร่าเริงใจโดยประกาศถึงสภาพอันเป็นที่น่าฟูใจแต่ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปกปิดเสียดย้วยหญ้าหรือใบไม้ทั้งหลายโดยแท้แลเพราะเหตุไร่เล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดส่วนว่าโลกุตระธรรมทั้งเก้าประกาศนี้ชื่อว่าเป็นของมีอยู่โดยสภาวะจริง ชื่อว่าเป็นสภาพบริสุทธิ์เหมือนดวงจันทร์วันเพนบนอากาศที่ปราศจากเมฆและเหมือนชาติแก้วมณีที่วางไว้บนผ้ากำพลเหลืองด้วยเหตุนั้นโลกุตระธรรมย่อมควรแก่วิธีที่จะเชิญให้มาดูเพราะเป็นสภาพที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่งเพราะเป็นสภาพที่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งฉะนั้นจึงชื่อว่าเอหิภัสสิโก ควรแก่วิธีที่จะเชิญให้มาดูอธิบายบทโอปันนายโกพระธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงน้อมเข้ามาได้ดังนั้นจึงชื่อว่าโอปันนายโกก็แลในบทนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้การน้อมเข้ามา ชื่อว่าอุปนยะพระธรรมย่อมควรแกอุปนยะคือการน้อมเข้ามาในจิตของตนด้วยอำนาจภาวนาเพราะแม้ถึงผืนผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้ก็เพ่งดูได้เฉยฉะนั้นจึงชื่อว่าอุปนญิโกบทว่าอุปนญิโกนั่นเองได้รูปเป็นโอปนญิโก คำอธิบายนี้ย่อมสมควรในโลกุตรธรรมที่เป็นสังคตะคือมรรคผลส่วนในโลกุตรธรรมที่เป็นอสังคตะคือนิพพานพระธรรมย่อมควรซึ่งอันน้อมเข้ามาด้วยจิตของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าโอปัญญิโกควร น, น้อมเข้ามาด้วยจิตอธิบายว่าสมควรถูกต้องด้วยการทำให้แจ้ง อีกนัยยะหนึ่งพระธรรมคืออริยมรรคชื่อว่าอุปเนยโยเพราะอัฏฐาว่าเป็นสภาวะนำเข้าไปสู่นิพพานพระธรรมคือผลและนิพพานชื่อว่าอุปเนยโยเพราะอัฏฐาว่าอันผู้ปฏิบัติจะพึงนำเข้าไปสู่ภาวะที่จะพึงทำให้แจ้งบทว่าอุปเนยโยนั่นเองได้รูปเป็น โอัญิโกหมายความว่านำเข้าไปสู่นิพพานหรืออันผู้ปฏิบัติจะพึงนำไปสู่ภาวะที่จะพึงทําให้แจ้งอธิบายบทปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิคําว่าประธรรมอันวิญยูชนทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตน ความว่าโลกุตระธรรมนั้นอันวินยูชนทั้งหลายแม้ทุกๆอันดับมีชนชั้นอุค ป, ปฏิตันยูบุคคลเป็นต้นจะพึงรู้ได้ที่ตนเองว่ามักเราได้เจริญแล้วผลเราได้บรรลุแล้วนิโรธเราได้ทำให้แจ้งแล้วกิเลสทั้งหลายของสัตวิทวิหาริกจะละได้ด้วยมักที่พระอุปชายะเจริญแล้วหาได้ไหม สัตว์วิหาริกนั้นจะอยู่เป็นผาสุขด้วยพระสมาบัติของพระอุปชายะนั้นก็หาไม่สัตวิวิหาริกจะกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่พระอุปชายะนั้นทำให้แจ้งแล้วก็หาไม่เพราะเหตุฉะนั้นโลกุตระธรรมนี้อันวิญยูชนทั้งหลายจะพึงเห็นได้เหมือนเห็นอภรร์นบนศีรษะของคนอื่นหาได้ไหม แต่อันวินยูชนทั้งหลายจะพึงเห็นได้ที่จิตของตนเท่านั้นอธิบายว่าอันวินยูชนทั้งหลายจะพึงสวยแต่อย่างไรก็ตามโลกุตระธรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของพวกผ่านชนเลยอย่างแน่แท้อีกประการหนึ่งพระธรรมนี้เป็นสวากาตธรรม คือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะเหตุไรเพราะเป็นธรรมะอันผู้บรรลุถึงจะพึงเห็นเองพระธรรมเป็นสันธิติโกคืออันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเพราะเหตุไรเพราะเป็นธรรมะไม่มีการในอันให้ผลพระธรรมเป็นอาการิโกคือไม่มีการในอันให้ผล เพราะเหตุไรเพราะเป็นธรรมะที่ควรเชิญมาดูและพระธรรมใดเป็นเอหิปัสสิโกควรเชิญให้มาดูพระธรรมนั้นย่อมเป็นโอปนญิโกควรน้อมเข้ามาในใจฉชนนี้เมื่อโยคีบุคคล ระลึกถึงพระธรรมคุณทั้งหลายอันต่างด้วยบทมีบทว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นอย่างนี้บ่อยๆในสมัยนั้นจิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะรบกวนจะไม่ถูกโทสะรบกวนจะไม่ถูกโมหะรบกวนสมัยนั้นจิตของเธอย่อมจะปราบรบตรงดิ่งถึงพระธรรมด้วยประการชนนี้ องค์ฌานทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้ข่มนิวรได้แล้วในขณะเดียวกันโดยในยะก่อนนั่นเถียวก็แลเพราะพระธรรมคุณทั้งหลายเป็นสภาพที่ลึกซึ้งอย่างหนึง่งเพราะโยคีบุคคลน้อมใจไปในอนันระลึกถึงซึ่งพระคุณมีประการต่างๆอย่างหนึง่งฌานจึงยังไม่เกิดขึ้นถึงขั้นอปปนา ขึ้นถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นชานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่าธรรมานุสติชานเพราะเหตุที่บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจการระลึกถึงคุณของพระธรรมนั่นแหละอา น, นิสงส์งการเจริญธรรมานุสติก ร, รมมฐ า, านก็แลภิกษุผู้ประกอบอยู่เนือง ซึ่งธรรมานุสติกรมมัฐานนี้ย่อมเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในพระบรมศาสดาโดยที่ได้มองเห็นคุณของพระธรรมอย่างนี้คือในการเป็นส่วนอดีตเรามิได้เห็นพระบรมศาสดาผู้ทรงแสดงธรรมอันควร น, น้อมเข้ามาในใจได้อย่างนี้ผู้ทรงประกอบแม้ด้วยองคุณเช่นนี้มาเลยถึงในปัจจุบันนี้เราก็มิได้เห็นเหมือนกัน เป็นเสรยจจากพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นฉ น, นี้เป็นผู้เคารพและยำเกรงในพระธรรมยอมบรรลุถึงซึ่งความภัยบู์ด้วยศรัทธาเป็นต้นเป็นผู้มากล้นไปด้วยปีติและปราโมทหกห้ามเสียได้ซึ่งโทษภัยอันน่ากลัวเป็นผู้สามารถอดกลั้นได้ต่อทุกขเวทนายอมได้ความมั่นใจว่าได้อยู่ร่วมกับพระธรรม และแม้สรีระร่างของเธออันธรรมคุณานุสติครอบครองแล้วย่อมกลายเป็นสิ่งควรแก่การบูชาเป็นเสมือนเรือนพระเจดียสถานฉะนั้นจิตย่อมน้อมไปเพื่ออันบรรลุธรรมชั้นยอดเยี่ยมและเมื่อเธอระลึกอยู่เนืองๆถึงความที่พระธรรมเป็นธรรมดีในคราวประจวบเข้ากับวัตถุที่จะพึงล่วงละเมิดฮิริและโอตปะ ย่อมจะปรากฏเฉพาะหน้าก็แลเมื่อเธอยังจะไม่ได้แทงตลอดธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปในชาตินี้ย่อมจะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุฉะนั้นแหละโยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดีพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในธรรมานุสติภาวนาซึ่งมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพัรนานามานี้ในการทุกเมื่อเทอ กาถามุกพิสดานในธรร ม, มานุสติกรรมฐานยุติลงเพียงเท่านี้